เหตุการณ์ทั้งหมดเกิดขึ้นตั้งแต่สมัยคุณโอมอายุประมาณสิบขวบราวๆยีหปีที่แล้วตอนนั้นคุณโอมเป็นเด็กอยู่คุณพ่อคุณแม่ได้พาคุณโอมไปฝากไว้กับคุณปู่คุณย่าเพื่อช่วยเลี้ยงดูตั้งแต่อย่างเล็กส่วนน้องชายคุณพ่อคุณแม่จะเป็นคนเลี้ยงดูเองเป็นธรรมดาที่คุณโอจะต้องคิดถึงบ้านแต่มีโอกาสได้พบเจอกัน ก็ต่อเมื่อช่วงปิดเทอมและเหตุการณ์ก็เกิดขึ้นในช่วงที่คุณโอ๋กํกำลังปิดเทอมคุณโอ๋จะต้องไปนอนค้างที่บ้านของคุณพ่อคุณแม่ทุกๆเช้าโอกับน้องชายมักจะแอ บ, บมานั่งวางแผนนั้นว่าจะเล่นอะไรกันดีสาเหตุที่ต้องมาแอ บ, บเล่นกันนั้นเนื่องจากว่าคุณแม่จะไม่ค่อยยอมให้พาน้องไปเล่นที่ไหนไกลๆเนื่องจากบริเวณโดยรอบนั้นจะเป็นสวน แล้วก็มีท้องร่องซึ่งเอาไว้ปลูกผักบุ้งเป็นของเพื่อนบ้านที่อาศัยอยู่ในระแวกเดียวกันนั่นเองคุณโอ๋กับน้องชายก็ได้ตกลงกันว่าจะไปจับปลาหางนกยูงเล่นกันสองพี่น้องก็เลยพากันชวนเพื่อนบ้านแถวนั้นที่สนิทไปด้วยกันอีกสองคนและในขณะที่เด็กๆทั้งกลุ่มกําลังดักช้อนปลาอย่างสนุกสนานก็มีเด็กรุ่นราวคราวเดียวกันที่ไม่มีใครคุ้นหน้ามาก่อน มาขอเล่นด้วยเด็กคนนั้นได้แนะนำตัวว่าตัวเขาเองชื่อวต้นซึ่งตามภาษาเด็กๆการมีเพื่อนใหม่ก็เป็นเรื่องที่น่ายินดีเด็กๆทั้งหมดจึงรวมกลุ่มจับปลากันอย่างสนุกสนานจูๆ่ๆต้นก็บ่นขึ้นมาว่าปลากัดหายไปไหนหมดเมื่อกี้ก่อนที่จะเจอกับพวกนายเรายังได้มาสามตัวเลยแล้วต้นก็เปิดกระป๋องนมที่ถือมาให้ทุกคนดู ข้างในมีปลากัดอยู่สองสามตัวและพูดต่อว่าเอาไปปล่อยไว้ที่บ้านสิบกว่าตัวแล้วพวกเพื่อนๆรวมทั้งคุณโ oh, อต่างไม่มีใครเชื่อเพอราะปลากัดมันจะมาอยู่แถวนี้ได้ยังไงต้นจึงพูดว่าเราจะพาไปดูที่บ้านก็ได้ถ้าเกิดไม่เชื่อและจะแบ่งให้คนละตัวทุกคนจึงพากันเดินลัดสวนออกมาจนถึงคลองใหญ่ต้นชี้ข้ามไปฝั่งตรงข้ามแล้วบอกว่า สังฆสีกั้นรั้ว น, นั่นแหละหลังบ้านเราเองมาสิอะกงของเราไม่ว่าหรอกคุณโอและน้องชายรวมไปถึงเพื่อนอีกสองคนหันหน้าเข้าปรึกษากันแต่ยังไม่ทันได้คุยกันรู้เรื่องพอหันกลับไปมองเห็นต้นไปยืนอีกฟากหนึ่งของคลองแล้วแทบไม่น่าเชื่อทางปูลที่พาดอยู่บนคลองหน้ากว้างประมาณไม้บรรทัดครึง่งความกว้างของคลองเกือบ15เมตร ทำไมต้นถึงข้ามไปเร็วมากคุณโอ๋เก็บความสงสัยไว้ก่อนต้นก็ตะโกนถามกลับมาว่าตกลงว่าไงพวกนายจะมาเอาปลากันไหมด้วยความที่อยากได้ปลากัดคุณโอ๋จึงรีบเดินข้ามไปทันทีจนถึงอีกฝั่งแต่กลับไม่มีใครเดินตามคุณโอ๋ไปเลยเอาแต่ยืนจุดจดจ้องจ้อยู่กันที่เดิมอาจเป็นเพราะว่ากลัวจะมีคนเอาเรื่องไปฟ้องที่บ้านเพราะการเดินข้ามของในลักษณะนี้ มันค่อนข้างอันตรายมากๆสำหรับเด็กๆถ้าเกิดพลาดขึ้นมาจริงๆอา จ, อาจถึงแก่ชีวิตได้คุณโอเลยตัดสินใจตะโกนบอกทุกคนว่ารออยู่ฝั่งตรงนั้นแหละดูแลน้องเราให้ด้วยเดี๋ยวเอาปลากัดกลับไปให้เองเพื่อนทั้งสองคนก็ตกลงตามนั้นต้นเดินเข้าไปอ้าแผ่นสังกสีจนพอที่จะสามารถมุดตัวเข้าไปได้แล้วคุณโอก็มุดตามเข้าไปบ้านของต้น เป็นบ้านไม้สองชั้นทรงคล้ายๆกับอาคารโรงเรียนหลังใหญ่พอสมควรทั้งคู่เดินไปจนถึงหน้าบ้านคุณโอสังเกตว่าต้นแสดงท่าทางร่าเริงกว่าปกติเหมือนกำลังดีใจเป็นอย่างมากที่มีเพื่อนมาเที่ยวที่บ้านต้นวิ่งนำขึ้นบันไดไปชั้นสองของตัวบ้านอย่างรวดเร็วจนคุณโอแทบมองตามไม่ทัน และตะโกนให้คุณโอตามขึ้นมาเร็วๆแล้วหันไปตะโกนเรียกกงงว่ากงงต้นพาเพื่อนมาเล่นที่บ้านด้วยคุณโอกำลังจะ ก, ก้าวขาเหยียบขั้นบันไดแต่ก็ต้องหยุดชะ ง, งักเพราะได้ยินเสียงหนึ่งนังเพีย้ยและตามด้วยเสียงของคนแก่ตะคอกว่าหรือไปบอกให้มันออกไปคุณโอคิดว่าต้นคงจะโดนตีแน่จริงตะโกนอยู่ที่หน้าบ้านว่าเรากลับก่อนนะต้น สายตาก็เลือบไปเห็นฝุ่นผงเกาะอยู่ตามขั้นบันไดหนาเตอะคุณโอนั่งลงพินิษดูสักครู่ถึงแม้ว่าคุณโอยังเด็กแต่ก็พอจะแยกออกว่าบ้านมีคนอยู่บ้านร้างสภาพมันยังไงคุณโอด้แต่คิดเช่นนั้นก็รู้สึกขนลุกตั้งชาไปทั้งตัวลมพัดต้นไม้ใหญ่ข้างตัวบ้านเสียงดังซาซาลมย็ยนเยือกพุ่งพทะตัวเป็นละลอกละลอกทให้คุณโอ๋ จิตหลุดพอสมควรคุณโอรีบเดินจำ้ำกลับไปทางเดิมทันทีโดยที่ยังก้มหน้าอยู่พยายามหาแผ่นสังกะสีที่สามารถเปิดออกได้แต่ไม่ว่าจะงัดแผ่นไหนก็ไม่เจอแผ่นที่สามารถเปิดอ้าออกไปได้เลยระหว่างที่กำลังง่วนอยู่กับการหาทางออกเสียงของต้นก็ตะโกนลงมาจากตัวบ้านว่าไม่ต้องกลับไปแล้วอยู่เล่นกับเราที่นี่เถอะไม่ต้องกลับเลย คุณโอเหลียวหลังกลับไปมองที่ตัวบ้านก็เห็นเข้ากับสภาพของตัวบ้านที่ผิดไปจากเดิมไม้บางแผ่นข้างฝาบ้านผุพังจนมองเห็นเป็นรูดำๆคราบสีเทาๆขึ้นเกาะเป็นจุดเป็นจุดหน้าต่างบางแผ่นห้อยพับลงมาเหมือนกับว่าพร้อมจะหลุดได้ทุกเมื่อโอพยายามสอดส่องสายตามองจนทั่วแต่ก็ไม่พบตัวของต้น เริ่มทำให้โอแน่ใจขึ้นทุกทีว่าต้นต้องไม่ใช่คนแน่นอนแต่ก็คิดในใจว่านี่มันเพิ่งจะเที่ยงวันผีที่ไหนมันจะออกมาหลอกกันกลางวันแสกแต่ยังไงซะก็ต้องรีบออกไปจากที่นี่ให้ได้ก่อนในเมื่อหาทางมุดออกไปทางหลังบ้านไม่ได้ก็คิดว่าจะลองวิ่งไปทางรั้วหน้าบ้านดูสักตั้งระหว่างนั้นเสียงร้องไห้สะอึกสะอื้นของต้นก็เริ่มดังขึ้นที่ชั้นสองของตัวบ้าน เสียงนั้นดังระงมไปทั่วบริเวณของบ้านสลับกับเสียงร้องของคุณโอโดยประโยคซ้ำๆว่าอยู่กับเราจะไปเราอยู่คนเดียวคุณโอคิดว่าถ้าช้ากว่านี้คงไม่ดีแน่ๆรีบพุ่งตัวเลาะ ก, กําแพงสังกะสีของบ้านไปให้ถึงประตูรั้วหน้าบ้านให้เร็วที่สุดโอได้ยินเสียงร้องสะอื้นในลําคอเบาๆรู้สึกถึงความกลัวสุดขีดจนไปถึงอีกฝั่งของบ้านเสียงร้องเรียกอันเย็นยะเยือก ยังคงดังออกมาจากบ้านที่มืดถึบโอมองไม่ตามรั้วบ้านก็ต้องเข่าสุดลงทันทีเพราะว่ารั้วทางฝั่งนี้ก็ไม่มีประตูเช่นกันเป็นรั้วสังกะสีเก่าๆพันด้วยต้นตำลึงจะเป็นพุ่มหนาโอ้ตัดสินใจเหยียบไม้โครงยึดสังกะสีปีนข้ามไปอีกฝั่งแล้วกระโดดลงพื้นพอเท้าแตะถึงพื้นเสียงเรียกชื่อเย็นเยือกนั้น กลับดังขึ้นอยู่อีกฝั่งของกำแพงสังกสีเหมือนกับว่าต้นมายืนร้องเรียกอยู่ข้างกำแพงทําให้โอบผวาถอยหลังจนเกือบจะเสียหลักแต่ในใจก็เป็นห่วงน้องเช่นกันจึงรีวบวิ่งอ้อมไปยังอีกฝั่งจนถึงจุดที่น้องชายและเพื่อนๆนยืนรออยู่แต่ก็ต้องตกใจเพราะไม่เห็นใครยืนอยู่เลยแม้แต่คนเดียวจึงตัดสินใจวิ่งไปหาบ้านเพื่อนด้วยใจที่ร้อนรน จนไปถึงหน้าบ้านโหร้องตะโกนหาเพื่อนสุดเสียงจนเพื่อนเดินลงมาจากบ้านโอรีบถามว่าน้องชายของตนเองอยู่ไหนเพื่อนก็บอกว่าเดินไปส่งที่บ้านตั้งนานแล้วเป็นคำตอบที่ทำให้โหโล่งอกโล่งใจเพื่อนบอกว่าเห็นโหาอยาไปนานจึงพากันแยกย้ายกลับบ้านก่อนหลังจากนั้นอีกสองวันเพื่อนของคุณแม่มาหาที่บ้านแล้วก็พูดกันถึงเรื่องนี้ เล่ากันไปเล่ากันมาได้ความว่าเดิมทีบ้านหลังที่ล้อมรั้วสังกสีเคยมีปู่อาศัยอยู่กับหลานเพียงลำพังแต่ปู่ได้เอายาฆ่ามแมลงให้หลานกินก่อนที่จะปูกคอตายตามหลานเพื่อหนีหนี้สินกว่าจะมีคนมาพบศพก็เกือบจะครบเดือนเพราะชาวบ้านที่สัญจรผ่านบ้านหลังนั้นได้กลิ่นเหม็นเน่าโชยออกมาจากตัวบ้านและนี่ก็คือเรื่องราวทั้งหมดของคุณโอ๋